ยอมยมอํานาจเออหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็หลายชั่วโมงอันนั้นมีเหตุการณ์อะไรยังไงแล้วก็แก้ปัญหายังไงหรือมีเรื่องจะบอกกับหลวงพ่อยังไงเอาเดี๋ยวหลวงพ่อจะขึ้นไปให้พูดเ น, ะนาะนรบุการหลวงพ่อครับอ่าใช่เลยก็เนี่ยผมก็ยังฝึกรู้สึกตัวอยู่เหมือนเดิมครับหลวงพ่ออ่า แล้วเป็นยังไงบ้างฝึกแล้วทําแบบไหนก็ยังรู้ตัวอยู่ครับส่วนใหญ่แล้วผมก็อย่างเวลาผมเมื่อก่อนผ ม, มคนพูดเยะ่ะแต่นี้ผมก็เริ่มรู้ตัวตัวเงเริ่มพูดเยอะอืผมก็จะตัดบทเลยบางทีผมก็ไม่ผมจะบอกว่าผมพูดแค่นี้แหละอะไรเงี้ยครับที่ผมเริ่มรู้ดูสภาว่าที่ผมเปลี่ยนไปนั่นผมก็ใจก็เริ่มรู้ตัวนะครับอะไรเงี้ย ผมก็ถือว่าชีวิตผมผมเริ่มจนมีสาระมากขึ้นออืเการสนทนาผมก็ไม่เยิยนเยอะลําไรเหมือนเมื่อก่อนส่วนผมครับผมถ้าพูดถึงการในชีวิตนะครับว่าเ อ, อการฝึกสติมันช่วยอะไรเราได้บ้างผมก็เท่าที่สังเกตตัวเองนะครับมีเรื่องนี้ครับแล้วมันก็ไปใช้ในการทํางานได้ดีอย่าง ผ, ผมเป็นประธานที่ประชุมอะไรย่างเงี้ยเราก็จะอย่างเมื่อก่อนผมประชุมก็จะ หชั่วโมงอ่ะเพรเดี๋ยวนี้ก็สองชั่วโมงกว่าก็จบนะครับอครับแล้วก็ได้เรื่องด้วยนะครับก็มไม่ไม่ใช่ว่ามันมันมันจะแย่ลงนะครับกั บ, ม, กบมีประสิทธิภาพในการทํางานไม่ดีขึ้นนะการฝึกนี่หรู้ตัวเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ผมก็เลยอ่าใช้คํว่าอะ้รครับผมก็เข้าไปในใจนะครับก็การฝึกสติโดยสติปัญญาสี่นะครับผมว่ามันช่วยเราในชีวิตประจําวันได้ดีนะครับแล้วก็ ฝึไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเห็นร่างที่มันตายไปแล้วของเราหรือเห็นทิศสังขารเห็นว่าเรามีการเรามีแค่ดินน้ำลมไฟทับใส่ทับในสภาวะนั้นได้แล้วแต่ก็เก็มุ่งสู่ใช่ไหมมุ่งสู่จารีไปที่จะพ้นออจากทุกข์ได้นีครับผมมองมองสองอย่างนี่ครับก็สำหรับตัวเองก็ก็จะฝึกต่อไปครับผมครับ พ้นทุกข์สินี้แหละครับอ่าพนทุกข์ไม่ยากหรอกคือเห็นมันมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวทุกข์กันนะมันเป็นสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เห็นแล้วรู้แล้วแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยว่าถ้าไปยึดกับสิ่งนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเราเป็นผู้ยึดแล้วก็ตัวเราเป็นผู้ทุกข์เองเพราะฉะนั้นเพียงแต่รู้ทุกข์แล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาว่ามันยึดถือไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นฐานไฟอ่ะเป็นฐานแดงๆอ่ะนะเออให้เห็นแบบเหมือนกับเห็นเป็นโทษว่า โ oh, อ้ยตัวเราไวตัวเองเนี่ยที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นแล้วรู้แล้วแต่ก็มันเป็นโทษถ้ายึดมันแต่ถ้าไม่ยึดก็มันจะตายก็คือมันตายไปเลยเห็นไหมคือมันมันจะพ้นจากความ อ, ลอาลัยอาวรมันจะพ้นความเป็นเป็นทุกข์กับสิ่งสิ่งนั้นทีนี้ต้องต้องคือทั้ ง, ท ง, ทงรู้ตัวแล้วก็ต้องเหมือนเก่าเขาเรียกว่าฝึกปล่อยวางนั่นแหละเนาะเออแต่จริงๆริะถ้ามันเข้าใจด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วมันไม่เอาเพราะว่ามันเป็นโทษจริงๆแล้วก็ทุก เหมือนกับว่ามันมีประสบการณ์จากการเรียนรู้มาแล้วไงบางทีเอาสมมติว่าเราเนี่ยไปยึดสิ่งที่ที่ไม่ใช่ตัวเราเช่นบริวารญาติพี่น้องเนี่ยเห็นไหมถ้ายึดปั๊บเนี่ยเวลาเขาพลัดพรากเขาจากตายไปเนี่ยมันเป็นทุกข์มากไอ้นี้่ทุกข์เพราะยึดทีนี้ไอ้ตัวเราก็เหมือนกันไอ้ขันห้าเนี่ยถ้ามีตัวเราไปยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราเป็นเราเมื่อไหร่เวลามันเจ็บมันป่วยมันจะตายมันจะทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะว่ามันเป็นเราไปแล้ว แต่ว่าถ้ารู้รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นสังขารเนาะรู้มันแล้วก็ไม่เอาไม่เอาคำไม่เอาก็คือว่าไม่ไม่ไม่ยึดถือด้วยด้วยใจอ่ะนะคือใจมันไม่ยึดเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์กับร่างกายที่มันเจ็บมันป่วยมันตายเนี่ยมันมันมันจะไม่ทุกข์ทางใจเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยคือต้องเดินทางโดยเส้นเนี้ยคือรู้ทุกข์แล้วก็ไม่ยึดทุกข์มันก็พ้นทุกข์คือเราคิดเอาไว้ได้ครับคิดไม่ได้ใช่คิดมันก็ได้แค่คิดมันเป็นแค่เหมือนกับว่ากล่มมาคือสอนเนาะ แต่ว่าเมื่อฝึกมากๆเนี่ยมันเป็นความรู้เป็นรู้ที่รู้แจ้งหมายความว่าถ้าหลวงพ่อจะพูดให้เข้าใจนะคือมันเป็นอย่างนี้ในตัวเราเนี่ยนะมันมีมันมีสังขารกับมีจิตเขาเรียกว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยแต่มันยังไม่มีปัญญาที่จะแยกตัวเองออกมาว่าไอ้ตัวเราที่เป็นขันหักกับจิตที่เป็นธาตุรู้เนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันพอมันเข้าไปเป็นสิ่งเดียวเหมือนกับว่ามันถูกครอบงํำไงพอถูกครอบงําเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้น่าจะเข้าใจได้สิ่งนี้เรียกว่าวิชาเลยวอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะอ่ายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าไอตอนที่มันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันมันแยกไม่ได้แล้วมันก็มันก็เหมือนกับว่ามันคือมันแยกคือมันแยกไม่ได้มันเป็นหนึ่งเดียวอุปมาณนี้ไข่นะไข่ไข่ไก่เนี่ยนะไข่ไก่เนี่ยถ้าเรามองเนี่ยทุกคนรู้จักนะไข่ไก่ก็คือมันเป็นไข่มีเปลือกแล้วก็ข้างในก็มีไข่แดงไข่ขาวอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ทีนี้ในไข่ไก่เนี่ยมันจะมีไข่ไก่เนี่ยนะคือตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นไข่ไก่หมายถึงว่าทั้งเปลือกทั้งอะไรเนี่ยรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวคือไข่ไก่เมื่อเป็นไข่ไก่เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาไข่เนี่ยมันถูกฟักออกมามาเป็นลูกไก่ไอ้ลูกไก่ตอนที่มันอยู่ในไข่อ่ะเพราะแต่เดิมอะลูกไก่นี้ก็ยังไม่มีเนาะและวพอมันมีขึ้นมาเนี่ยลูกไก่เนี่ยมันคิดว่ามันเชื่อว่า ไข่ไก่ทั้งฟองเนี่ยทั้งเปลือกทั้งไข่ขาวทั้งอะไรแล้วแต่มันเป็นมันนะมันเพราะว่ามันยังแยกตัวไม่เป็นมันก็เลยไปยึดถือทั้งตัวมันทั้งไข่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่ต่อมาเมื่อมันออกจากไข่ได้มันก็แยกตัวออกมาว่าไอ้ลูกไก่ที่ออกมาจากฟองกับฟองไข่กับเศษเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกไก่มันจะเข้าใจนะว่า ตัวมันอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฟองไข่ฟองไข่ก็คือส่วนฟองไข่แต่ลูกไก่ก็คือมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนี่มันแยกมาเป็นสองแล้วมันมีการเห็นขึ้นมาว่าโอ้ไอ้นู้นก็อีกอันหนึ่งตัวลูกไก่ก็อีกอันนึงมันจึงรู้ว่าไอเปลือกไข่อะ่ะไม่ใช่มันมันเหมือนกับตัวเราเดะเลยตัวเราเนี่ยคือท่านรู้มันมีอยู่ในตัวเนี่ยอยู่ในขันห้าแต่ท่านรู้ไม่ปรากฏท่านรู้เป็นความไม่มีอะไร แต่มันถูกห่อหุ้มโดยโดยโดยอะไรเนี่ยโดยขันห้าโดยโดยสังขารเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จักตัวเองแล้วต่อมาเมื่อเรียนธรรมะฝึกสติทาอะไรต่างๆตามที่ที่เขาสอนแล้วก็ทํานี่นะจนกระทั่งว่ามันรู้แจ้งขึ้นมาว่าเอ้ไอสังขารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้นะไอสังขารไม่ใช่ธาตุรู้แต่ธาตุรู้คือธาตุที่ไม่มีตัวตนแต่สังขารน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับ แต่เมื่อก่อนมันหุ้มเอาไว้มันก็เลยหลุดออกมาไม่ได้แต่พอมันหลุดจากการห่อหุ้มเมื่อไหลแล้วมันเป็นอิสระแล้วออกมามองเห็นว่าสังขารไม่ใช่มันมันจึงรู้แจ้งชัดว่าสังขารก็คือเกิดดับก็คือตายไปเลยของมึงแต่ท่านรู้ไม่ตายด้วยท่านรู้ก็เลยรู้แจ้งแบบนี้แล้วมันเหมือนกับลุตละอุปมาเนาะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันไม่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาแล้ว แต่ก่อนน่ะนะบรรทุกทางวิชาภูมิมก็คือปัญญาทำให้เราออกมาเห็นอย่างนีใช่เนี่ยที่หลวงพ่อถึงได้สอนนะบอกว่าให้รู้ตัวเข้าไว้รู้ตัวเข้าไว้เพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะแยกหรือว่าจะหลุดออกมาเห็นตัวเราแต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแล้วก็จะมีธรรมชาติที่มันมันรู้มันเห็นนะไอ้ตัวเนี้ยมันพ้นออกไปมันก็หลุดได้แล้วมันก็ไม่กลับมาเป็นเนื้อเดียวกันอีก มันจึงเข้าใจได้แจ่มแจ้งว่าไอสังขารเนี่ยหรือที่เรียกว่าตัวเรากับาธาตุรู้เนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันมันจึงหลุดออกมาเมื่อหลุดแล้วเนี่ยมันเข้าใจแล้วเนี่ยว่ามันเป็นคนละสิ่งมันก็ไม่อาจที่จะเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันได้อีกพอเห็นภาพไหมถ้อาอธิบายแบบเนี้ย ด, ดีเลยครับเห็นเห็นภาพ <ơn hundred S 2> <sweeter S 1> เลยครับใช่ก็เนี่ยที่หลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบไงว่าอย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ย ลองมองอะไรก็ได้มองจิ้งจกก็ได้ในในห้องพอดีห้องหลวงพ่อมันมีจิ้งจกมันก็จะรู้จักอย่างดีว่าไอ้จิ้งจกก็คือสิ่งสิ่งหนึง่งแล้วไอ้ตัวเราตัวเราที่มองจิ้งจ ก, กก็เป็นผู้มองจิ้งจกก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งไงมารู้ตัวเราอ่ะว่าเราอ่เนี่ยเป็นผู้มองจิ้งจกอยู่เนี่ยไอ้ตัวแยกระหว่างตัวเรากับไอ้ตัวที่รู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันแค่เนี้ยมันก็หลุดเพลาะแล้วว่าไอ้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ ถกรู้ทั้งตัวเลยแล้วตัวเราเนี่ยคือตัวตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายแต่ไออตัวที่มารู้เราอ่ะมันไม่มีตัวมันก็ไม่ตายด้วยไงมันจึงพ้นไปจากความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันพ้นทุกได้เลยพ้นทุกเพราะ ว, าว่ามันแยกมาเป็นเป็นสองแล้วเออมันก็เลยไม่ต้องตายกับตัวเราเนี่ยทีนี้จะฝึกยังไงเนี่ยพูดกันยังไงให้เข้าใจให้เห็นเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยที่หลวงพ<ล>่อ<ล>สิ่งที่ถ้ามันเหมือนกับไอไอสิ่งที่ เอ่อผมไปมองจิ้งจกแล้วผมมองจิ้งจกไอ้ผมนั่นอ่ะกับจิ้งจกเนี่ยไอ้ น, นี้เรียกว่าเป็นสิ่งสมมติใช่ไหมครับแต่ว่าตัวตัวผมที่ไปเห็นผมกับจิ้งจกอ่ะอันนั้นไม่ใช่สมมติอันนี้ก็คือความออาจริงเออเอาจิ้งจกก็เป็นสิ่งสมมติแต่นี่เราพูดถึงสภาวะเลยนะว่าว่าจิ้งจกจะเรียกว่าจิ้งจกจะเรียกอะไรก็ตามแต่มันเป็นสภาวะคือถูกเห็นได้นะโอเคเอนะถูกไหมอ่า แล้วตัวเราที่เป็นผู้มองจิงจบเนี่ยจะเรียกว่าตัวเราหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีสภาวะคือคือมีอยู่แล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราผู้มองจิงจบไอ้นั้นก็เป็นสภาวะอีกสิ่งหนึ่งจะเรียกชื่ออะไรก็ไว้ทีหลังแต่สภาวะแบบนี้มีอยู่จริงอ่าอันนี้คือสภาวะจริงอ่าแต่ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยให้เห็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดก็คือว่าเ อ, อ้าจิงจบโอเคเห็นได้อยู่แล้วก็ ตัวเราเนี่ยทีู่ตัวเราที่เป็นผู้มองจริงจกเนี่ยมันก็ถูกเห็นโดยธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งถ้าเห็นแบบเห็นจริงๆเนนะเหมือนกับว่าไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่ใช้หัวคิดเนี่ยมันจะเข้าใจถึงใจเลยว่ามันมีธรรมชาติที่เห็นตัวเราอยู่จริงๆ แ, แต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยหลวงพ่อบางทีจะใช้คำพูดยังไงดีนะให้คนเข้าใจเข้าใจให้ได้บางทีพ<ต>ยานไม่คิด พยายามจะคิดคำพูดอ่ะนะแล้วก็ยกตัวอย่างกันครับอผมว่าสภาวะพูดมาเป็นบรญยากาภาษาญ่าครับอทีนี้เอาอย่างนี้สมมตินะเดี๋ยวเดี๋ยตัวโยมตอนนี้โยมอยู่กับใครเนี่ยอยู่คนเดียวครับผมนั่งอยู่บนต๊ะเอออยู่คนเดียวแล้วโยมรู้ได้ใช่ไหมว่าโยมอยู่คนเดียวรู้ครับอยู่คนเดียวครับเออรู้เนี่ยในเนี้ยจริงๆอิงมันมีธรรมชาติรู้ตัวโยมอยู่แล้วไงถ้าไม่มี ถ้าไม่มีธรรมชาติรู้ตัวโยมเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ถามนะเขาไม่รู้เลยนะว่าว่ามีตัวโยมอยู่ถ้าหลวงพ่อไม่ถามเนี่ยเขารู้ตัวโยมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลืมไปแต่พอพ่อหลวงพ่อถามว่าอยู่กับใครปั๊บเห็นไหมตัวเราเนี่ยมันรู้ตัวเราได้เลยว่าเราอยู่คนเดียวครับอและตรงเนี้ยมันจะทําให้เข้าใจเรื่องไอ้ตัวรู้ตัวเราขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อไอ้ตัวรู้ตัวเราคือมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันรู้ตัวเราได้ ก่อนหลวงพ่อจะถามว่าอยู่กับใครเนี่ยเห็นไหมมันไม่รู้ตัวเรานะเพราะว่ามันยังไม่ระลึกได้ไงมันระลึกไม่ได้แต่พอถูกถามปั๊บมันรู้เลยว่าอ๋อแต่นี้นี่คือการหลวงพ่อหลวงพ่อถามใช่ใช่เหมือนกับหลวงพ่อแบบผู้สกิดไงสักิดเหมือนกับทํานองว่าให้มันรู้ตัวแต่ตอนที่หลวงพ่อไม่ถามเห็นไหมมันรู้ไม่ได้ไงเออแต่คนที่ฝึกมามากๆเนี่ยเขาจะจะรู้ได้ใช่ไหมไม่รู้ตลอดเวลามันก็ไม่รู้ตลอดเวลาหรอกเพราะว่าไปกว่าคนไม่ฝึกถูกไหมครับ แต่ว่ามันหมายความว่าเขารู้จักแล้วว่าการรู้ตัวเองคือรู้แบบนี้อืมรู้ออการรู้ตัวเองคือรู้แบบเนี้ยแต่ถ้ารู้ตัวเองไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าคําว่ารู้ตัวเองคือแบบไหนแล้วก็พยายามคิดค้นพยายามเอาตัวเราเนี่ยไปค้นหาแต่ถ้ารู้เป็นก็คืออ๋อแบบนี้เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วมันก็จะง่ายแล้วรู้ตัวเองเป็นไงพอมีคนถามคุยไปคุยมาพอคนเรียกชื่อปั๊บมันก็รู้ตัวเองแล้วมันก็เข้าใจได้ว่าออรู้ตัวเองเป็นแบบนี้ ไม่จําเป็นต้องรู้แบบตลอดเวลาอุปมาเหมือนการขับรถเลยการขับรถที่เป็นแล้วอะโยมครับการขับรถที่เป็นเนี่ยคือมันเป็นจริงๆพร้อมจะขับได้ทุกเมื่อใช่ไหมแต่การขับรถเป็นไม่ใช่ว่ามานนั่งท่องว่าตอนนี้เราขับรถเป็นเราขับรถเป็นไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเมื่อขับมันขับเป็นเลยแต่ตอนไม่ขับความเป็นก็มีอยู่แต่ยังไม่ได้ขับการรู้ตัวเป็นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ารู้ตัวแบบโอ้ยตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ใช่ แต่รู้ตัวเป็นเมื่อเหมือนกับว่าถ้าจะรู้ตัวเนี่ยคือรู้ได้เลยอืเหมือนกับขับรถเป็นนั่นแหละเออเมื่อจะรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็รู้ได้เลยแต่ถ e. ้าเราทําการงานทํานู่นทานี่เราเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้มาสํารวจว่ารู้ตัวเป็นไหมอันนั้นไม่จําเป็นต้องต้องมให้ให้รู้ตัวเหมือนกับรถเป๊เลยขับรถเป็นอ่ะลองนึกภาพออกเนาะ เลือกออกครับเออถ้ามันเป็นหมายความว่าจะขับรถมาเลยคือเป็นเลยแต่เราไม่ต้องมานั่งท่องหรอกว่าตอนเนี้เราขับรถเป็นอย่างนั้นก็แย่ดิใช่ใช่ครับใช่ครับเ <c oughs> นี่ยคือถ้าเป็นมันเป็นเลยไงแล้ว ก, การเข้าใจเรื่องทุกข์กับออกจากทุกข์นะมันรู้เป็นแล้วไงคือถ้ารู้ตัวเรามันว่าอ๋อถ้ารู้ตัวเราเมื่อใดขนาดนั้นแหละมันก็พ้นทุกข์แล้วเวลายามมีทุกข์ปับ๊บมันก็นึกได้ออกมันก็รู้นี่พอรู้ปับ๊บมันก็รู้เป็นทันทีเลยว่าทุกข์ที่เกิดก็คือคือคือคือทุก แต่รู้เนี่ยไม่ทุกไอตัวรู้เนี่ยมันไม่ทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพ้นทุกทุกครั้งที่รู้ตัวอองงไหมเออเนาะต้องออกไปฝึก<อ>ให้รู้<อ> ต, ตัวให้เป็นก่อนคือมันต้องมีคือการรู้ตัวชัดๆเนี่ยผมว่าแบบผมจะเป็นนะครับเวลาผมรู้ตัวชัดๆอ่างเงี้ยผมก็ผมก็จะไม่ไม่ไม่มันเหมือนกับแบบ ใจไม่เก่อเกี่ยวแล้วมันเหมือนจบไปแล้วก็จบเลยเนี้ยเป็นนะครับผมครับผมอือก็อย่างนั้นก็ได้รู้แล้วครั้งเดียวแล้วก็จบผ่านไปได้ครับข้างก่อนมันยังมันยังยังต่อเนื่องครับพ อ, เ, อเด็กทีพอรู้สึกจะชุ่มัดมันก็จะไม่เป็นนะครับเอเอาเป็นว่านะเวลานั่นเนี่ยมามามามาฝึกรู้ตัวเหมือนที่เคยหลวงพ่อพูดเนี่ยการรู้ตัวมันก็มีมีหลายวิธีแต่วิธีไหนที่รู้สึกว่ามันรู้ตัวเป็นก็ ซ้อมไม่มันชํานาญเหมือนเมื่อกี้เนี่ยดูจิ้งจกอย่างเงี้ยมันก็รู้ถ้ารู้ตัวเป็นว่าอ๋อมีตัวเราเป็นผู้ดูจิ้งจกแล้วก็เข้าใจว่าเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ตัวเรารู้เป็นอะ่ะแล้วก็ฝึกดูจิ้งจกบ่อยๆหรืออาจจะไปดูอย่างอื่นก็ได้ดูโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มันก็จะเห็นตัวเองด้วยว่าเป็นผู้ดูเก้าอี้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การรู้ตัวเองเนี่ยชํานาญมากขึ้นออหลวงพ่อบางทีก็คุยกันเวลาเทศนะ์เนาะเทศที่วัด มีพระนั่งแถวหน้านะสมมติว่ามีสามรูปอย่างเงี้ยครับแล้วหลวงพ่อก็เป็นคนนั่งกลางนั่งเทศเนี่ยหลวงพ่อก็อธิบายธรรมะเนี่ยเรื่องรู้ตัวเองเนี่ยบอกมันยากตรงไหนเราเช่นหลวงหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างของตัวเองเนี่ยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยข้างซ้ายก็มีพระอีกรูปหนึ่งข้างขวาก็มีพระอีกรูปหนึ่งแต่ตัวหลวงพ่อนั่งอยู่กลางอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมันรู้ตัวเองอยู่แล้วไงมันมีตัวรู้ที่มารู้เราว่าเราเนี่ยนั่งกลางยากตรงไหน แต่คนเฉยๆไม่เป็นส anyway, LIKE ิหลก็คนอคนเฉยๆ่ขาจะรู levels, ้แค่ซ้ายขวาเขจะไม่รู้ซ้ายขวาแต่เรนเขาไม่รู้ตัวเองเนี่ยอย่างนี้แหละไม่รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวเองเป็นสักครั้งหนึ่งว่ารู้ตัวเองคือรู้อย่างนี้แล้วตอนหลังก็ฝึกให้ชํานาญว่าเออตัวเองเดินก็รู้นี่พอมันมันรู้เป็นแล้วนี่ตัวเองนั่งก็รู้ทําอะไรก็รู้ตัวเองอยู่ในคนเป็นร้อยเป็นพันก็รู้ตัวเองได้อย่างเนี้ยเพราะว่ามันรู้ว่าไอคนอื่นไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ตัวเอง แต่ตัวเองคือก็ไม่ใช่คนอื่นแล้วก็รู้ตัวเองบ่อยๆแล้วก็จะชํานาญว่ารู้ตัวเองคือรู้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มา <genetic S 2> รู้ให้พอพอเราเรารู้ตัวเองเนี่ยพอเรารู้ตัวเองปุ๊บเนแลยณณะเวลาที่เรารู้ตัวเองนั่นแหะครับมันทําให้เราใจเราไม่ไปคิดถึงอดีตใจเราก็ไม่ไปกังวลถึงอนาคตใจเราก<ช>็ไม่ไเอาเรื่องอะไรมาม า, <ณ>าที่จะมันลบเลือนถูกไหมและขณะที่เรารู้เนี่ยคุณผู้ชมใช่ถูกต้องขณะปัจจุบันที่รู้เนี่ยมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ใชไหมครับหลพ่อเราลึกได้เหมือนเนี้ยกรณีผมอาผมนั่งอยู่ในห้องมีนคนนั่งอยู่ซ้ายนั่งอยู่ขวาทันทีที่เรารู้ลึกขึ้นมาได้ว่าอาเราเป็นคนที่สามตอนนั้นอ่ะตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่สามตอนนั้นอ่ะเราจะไม่มีความคิดที่จะไปคิดกังวลในอนาคตหรือเอาเรื่องไม่พอใจในอดีตมาอยู่ในใจเลยใช่ไหมครับณถตอนนั้นถูกต้องถูกต้อง น, น, น, น, นั่นแห ล, ล, ละครับมันก็พ้นทุกแล้วครับอ่ก็นี่หลงวงพ่อวอ ก, วอกในขณะใด ขณะใดที่รู้ตัวเองพ้นทุกเนี่ยขณะปัจจุบันใดที่รู้ตัวเองมันพ้นทุกทุกคราวแต่คน่ะเขามองไม่ออกว่ามันพ้นทุกตรงไหนเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าพอรู้ปั๊บเนี่ยมันก็คิดเลยใช่ไหมว่าไม่เห็นพ้นทุกตรงไหนเลยแต่จริงๆขณะที่รู้เนี่ยมันพ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันพ้นทุกจริงๆยิ่งรู้แบบเนืองๆบ่อยๆเนี่ยมันก็นก็ไม่มีทุกขอืมแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับหลวงพ่อ ก็จะเอาเรื่องที่ไม่พอใจในอดีตที่ไม่ชอบอ่ะมาคิดหรือไม่ก็เอาความกังวลในอนาคตมาคิดแค่เนี้ยครับชีวิตมนุษย์อแต่พอเรามีสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าฝึกให้รู้ตัวพอรารู้ตัวปุ๊บรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงทําอะไรอยู่เนี่ยอไอ้ความกังวลในอนาคตไอ้เรื่องไม่ชอบในอดีตมันมมันไม่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะแป๊บเดียวนะหลวงพ่อ เพราะพลังใครพลังมันเนาะที่ผมว่าคนมีพลังเยอะหน่อยก็อาจจะอยู่นานหน่อยคนมีพลังน้อยหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับ ม, มาวงจรเดิมไป่ะเดี๋ยวต้องคิดอย่างนี้ยครับก็ฝึกนะครับหลวงพ่อผมก็คิดแค่นี้แหละผมก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ผมทุกวันผมคงจะจะไปเห็นตัวเองเห็นสังขารที่ที่หลวงพ่อกล่าวทำว่านั่นคือสังขารแต่ผมยังยังไม่ยังเป็นตัวตัวเองอยู่หลวงพ่อยังเห็นตัวเองอยู่ คือพอมันต้องรู้ตัวเองก่อนพอรู้ตัวเองต่อมาพอรู้ตัวเองแล้วเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยต่อไปก็คือเอ่อก็เรียกว่าใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นสังขารเกิดแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังเป็นตัวเราอะตัวเองเนี่ยมันเป็นของที่ยึดไม่ได้แต่ทีนี้เมื่อมีตัวเห็นแล้วเนี่ยตัวเห็นนี่แหละคือตัวพ้นตัวพ้นจากตัวเอง มันเป็นสองแล้วนี่ใช่ไหมล่ะตัวเองก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแต่ตัวเห็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันเป็นพ้นมันพ้นอยู่แล้วไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ที่มันไม่พ้นเพราะว่ามันมันแยกไม่เป็นคือมันไม่มีปัญญาว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรแต่พอมันรู้ว่าเห็นตัวเองคืออย่างนี้มันก็เข้าใจได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นเพราะตัวเองเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ตัวเห็นเนี่ยมันเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้น ทีเนี้ยถ้าฟังแบบนี้ถ้ายังไม่เห็นนะมันยังไม่เข้าใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงให้เห็นเอา้าหลวงพ่อทวนใหม่นะโยมลองดูดีๆนะครับเออ่โยมมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเหรอที่โยมนั่งหรือยืนนะ่ะตอนเนี้ยนั่งครับนั่งที่โต๊ะเนี่ยครับนั่งที่โต๊ะใช่ไหมเออข้างหน้ามีมอะไรบ้างอ่ะหน้าที่มองเห็นข้างหน้ามีอะไรสักอย่างเอายกมีทีวีครับมีทีวีที่า <TV S 1> มีท <TV. S 1> ีวีโยมดูทีวีเข้าไว้นะเอายมทีวีอย่างนี้ ให้ให้ฝึกแบบนี้ก่อนลองดูโยมรู้ทีวีทีหนึ่งแล้วก็รู้ตัวเองทีหนึ่งสลับไปสลับมานะหมายความว่ารับรู้ถึงมีทีวีรับรู้ถึงว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าทีวีนะให้โยมแบบดูไปดูมาดูไปดูมาแล้วก็หลวงพ่อก็จะอธิบายให้ฟังว่าทีวีก็เป็นสิ่งถูกถูกเห็นแล้วตัวเองก็เป็นสิ่งถูกเห็นเพราะ หลวงพ่อบอกว่าให้ดูทีวีบ้างแล้วก็ให้รู้ตัวเองบ้างเพราะนั้นทีวีก็เป็นสิ่งถูกถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมานี่นะวิ่งไปดูทีวีแล้วก็วิ่งมาดูตัวเราไอ้นี่ก็ยังเป็นตัววิ่งก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วตรงเนี้ยพอเข้าใจแล้วยังว่ามันมีผู้รู้ที่รู้ที่รู้รู้อะไรอ่ะรู้ตัววิ่งแล้วก็รู้ตัวเรา ไอ้ท exactly so ี่รู้อันนั้นแหละมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเราและมันรู้ตัวเราได้ตรงนี้พอพอมองเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ขอได้ครับพอได้ครับหลวงพ่อได้ครับได้ครับซ้อมเลยทีนี้ซ้อมเลยนั่งดูทีวีแล้วก็แรกๆก็ให้มันวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้มันพอมองออกไหมว่ามันวิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาไหมได้ครับใช่ครับมันก็อ่าเพราะนั้นแหละตัววิ่งไปวิ่งมาก็เป็นสิ่งถูกรู้นะ อเข้าใจไหมตัววิ่งไปวิ่งมานี่มันเป็นสิ่งถูกรู้ไงเพราะว่าถ้าไม่มีผู้รู้เราจะรู้ได้ไงว่ามันวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็พอรวมไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้แล้วพอโยมทําพฤติกรรมแบบวิ่งไปวิ่งมาต่อมาเนี่ยโยมไม่ต้องทําวิ่งเหมือนกับว่าไม่ต้องวิ่งแต่ให้รู้แบบพร้อมๆกันระหว่างทีวีกับตัวเราอะทําได้มันพร้อมไหมเออถ้ารู้พร้อมเนี่ยแสดงว่ามันมีผู้รู้ไงรู้เราแต่เราอบบเป็นอธิบายอย่างไง ครับครับพอเข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อเข้าใจครับพอเข้าใจอ่าดังนั้นเนี่ยโยมฝึกตรงนี้ให้มากแล้วก็โยมจะรู้จักว่าอ๋อไอ้ผู้ที่รู้เราเนี่ยใช่มีอยู่จริงใช่มีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงมันรู้เราไม่ได้มันมันรู้ไม่ได้หรอกว่าเรานั่งดูทีวีหรือว่าเรานั่งบนเก้าอี้อ่ะเพราะนั้นมันจะมีอยู่จริงๆว่าไอ้ความรู้นั้นมีอยู่โยมฝึกกันแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันไหนเปิดห้องแล้วก็มามาคุยกันว่ามันเป็นยังไงได้ครับหลวงพ่อ อ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวถามหลวงพ่อจะถามคนอื่นว่าคนอื่นเข้าใจเรื่องนี้ยังไงได้ลองทํายังไงแล้วก็เป็นยังไงเอายกมือมาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในการที่จะรู้ตัวเราในปัจจุบันแต่จริงๆมันมีอุบายเยอะแยะรู้ตัวเราสักคนครับหพ่อสวัสดีทุกท่านครับไม่สักคู่ที่หลวงพ่อสอนให้ดูทีวีก็ดูตัวเอง ผมก็เลยลองมองสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็กลับมามองดูตัวเองเห็นชัดขึ้นแล้วครับเพราะว่าเมื่อกังวันที่ผมได้มีโอกาสเรียนถามหลวงพ่อมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นผมเป็นเป็นตัวเราอะ่ะมันเหมือนกับแต่พอหลวงพ่อสอนเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันมีความชัดขึ้นมาเลยครับก็เลยขึ้นมาเรียนบอกหลวงพ่อแค่ น, นี้ครับขอบคุณครับอือ่าหลวงพ่อถามเพิ่มเติมนะ ก่อนที่จะเห็นชัดเมื่อก่อนมันเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเห็นชัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนยังไงเออขยายความตรงนี้ให้พวกเราฟังกันเนะมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี <c oughs> โทษครับมันจะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเลยครับแต่พอ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมันไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นเหมือนกับเป็นผู้รู้อย่างที่หลวงพ่อบอก่ะครับเรา <c oughs> แค่ดูมันแค่นั้นเอง เดี๋ยวนะเราแค่ดูอันเนีเน้พูดพูดถึงเรื่องกรณีดูทีวีเนาะครับตอนดูทีวีเมื่อก่อนโน้นตอนที่ไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงหมายความว่าเออลองลองลองพูดไปตามข้อเท็จจริงทีว่าก่อนที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยการดูทีวีมันเป็นยังไงเออผมผมยกตัวอย่างที่ผมอธิบายง่ายๆทีว่าครับ อ, อ, อย่างที่ผมเด้เนิยนถามหนูพ่อเรื่องการปฏิบัติแล้วยะเวลาเท่านูน้นเท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับผมเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวข้องตลอด ผมไม่ได้เป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้รู้อ่ะครับแล้วบางทีผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าในขณะที่ผมนั่งแล้วผมเกิดความเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันก็คือตัวผมอะมันไม่ใช่เป็นแค่ผู้รู้มันยังมีความเป็นเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่พอเมื่อกี้หลวงพ่อได้แนะนําแล้วผมก็ลองหลับตาแล้วก็ลองนึกนึกตามไปด้วยมันเหมือนกับไอ้ความเป็นผู้รู้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้รู้ คำว่าผู้รู้หมายถึงตัวไหนขยายความเพิ่มเติมนิดหนึง่งหมายถึงผู้ที่มารู้เราใช่ไหมใช่ครับเ อ, อ่อผู้ที่รู้เราซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนใช่ไหมไอ้ตัวนี้ใช่ครับโอเคผู้รู้นี้คือเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เมื่อกี้ได้ทดลองทำแล้วก็รู้จักว่ามันมีผู้รู้ที่มารู้เราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคถือว่าโอเคใช่ได้แล้วก็ไปฝึกซ้อมอย่างนี้ ฝึกซ้อมเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าได้ได้ทางแล้วในการที่จะรู้ตัวแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยฝึกซ้อมก็ใช้วิธีเดิมมาแหละดูทีวีแล้วก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อพอฝึกซ้อมอย่างนี้เสร็จแล้วก็ฝึกซ้อมดูอย่างอื่นบ้างดูดูโต๊ะดูเก้าอี้เออแล้วก็ให้มันเห็นก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันมีตัวรู้ตัวเราอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูเก้าอี้อะไรเนี่ยคือใช้ศูนย์เนี้ยลองฝึกให้มันชํานาญการฝึกเนี้ยอย่าใช้ความคิดอย่าใช้ความคิดที่จะไปหาผู้รู้ แต่ให้ใช้วิธีอย่างที่โยมฝึกเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเคยหลงมา่ก่อนเนี่ยพอเจอพอเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะคิดจะคิดเหมือนกับว่าจะให้รู้จักผู้รู้ประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีวันต้องให้ใช้แบบเดิมคือไม่ต้องใช้ความคิดแต่ให้ใช้ตามองก็ได้เนี่ยมองแบบเมื่อกี้เนี่ยเพ่งไปข้างหน้าแล้วก็กลับไปกลับมาทํำแบบนี้ยแล้วก็จะเข้าใจเองว่าอ๋อมันมีสิ่งมารู้ตัวเราอยู่แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราชัดเจนเลยมันจะเป็นมัน มันคิดมันมันที่หลวงพ่อพูดแล้วครับว่าบางครั้งมันก็กลัวว่าตัวเองจะไปคิดอย่างนั้นนะครับกลัวจะหลงทางอ่ะครับก็เลยคิดว่ามันก็ต้องฝึกบ่อยๆครับเออเพราะว่าเวลาคิดเนี่ยมันมันมันมันมันจะเห็นตัวเองไม่ได้แล้วมันก็รู้เองว่าการคิดเนี่ยหาตัวเองไม่ได้ก็เลยหยุดคิดแต่ให้กลับมาใช้วิธีวิธีเมื่อกี้ที่ดูทีวีเนี่ยฝึกซ้อมตรงนี้ให้ชํานาญนะแล้วต่อไปเมื่อชํานาญเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โห เราจะเดินเราจะนั่งตรงไหนมันเห็นตัวเราไปหมดเลยเพราะว่ามันมันเห็นเป็นแล้วไงมันเห็นตัวเราเป็นเพราะฉะนั้นจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันรู้เรามันตามรู้เลยอ่ะเออมันตามรู้มันตามรู้ไปเลยแต่มันไม่ได้เดินด้วยหรอกแต่เราอะตัวเราเนี่ยไอ้ตัวปลอมเนี่ยนะมันเดินมันนั่งแต่ไอรู้ตัวเราอ่ะมันไม่มีเท้าไม่มีอะไรมันได้แต่รู้เฉยๆได้แต่รู้ได้แต่รู้มันเดินไม่ได้เพราะถ้าเดินได้มันก็เป็นมันไม่ใช่ตัวรู้แล้ว น่าได้ทางเลยละลองลองไปฝึกเนาะไปฝึกไปไปนั่นดูแล้วก็จะเข้าใจชัดขึ้นขอบคุณคร่า